BOOK 2 79ตัวชะบสุบุรตรตชี้ชะรับุบุรคำคุณศัพท์สองชะาขรชีชาขรดิฉันสวมชุดสีฟ้า เจนน่วันตชอดิฉันสวมชุดสีแดงเจนน่าพลิชสชอดิฉันสวมชุดสีเขียวเจนน่าวูดซ์เอชอ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำรรดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำต า, า ล, ลรรดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว ฉันต้องการรถคันใหม่มมดิฉันต้องการรถความเร็วสูง ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายผู้หญิงชาราอยู่ชั้นบนบ ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง แขกของเราเป็นกันเองซฟกัวฮ์ฮ์ข์ที่ฮะจ้าก์แขกของเราเป็นคนสุภาพซฟะจ้าฟะฮ์ฮ่จาก์แขกของเราเป็นคนสุภาพ จะ่แขกของเราเป็นคนน่าสนใจที่ทดิฉันมีลูกที่น่ารักเซจเลตดซจกดาวเคร์สี แต่เพื่อนบ้านมีลูกโซนเอาสิกุนน้กุมะยาเจล็ดสกุกข์ดดซึเอาสีกุนมะยาเจล็กุกดซึลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะฮิเจล็ซสกุขออร์อะเจลสกุออระ